มีความประสงค์จะทำน้ำอสุจิให้เคลื่อนพระพุทธเจ้าข้าภิกษุ์เธอต้องอบัตสังฆาทิเศษวงเล็บเรื่องที่60สมัยนั้นภิสษุรูปหนึ่งมีความประสงค์จะทำน้ำอสุจิให้เคลื่อนจึงสอดองคชาตเข้าในทายแต่น้ำอสุจิไม่เคลื่อนท่านเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอบัตสังฆาทิเศษหรือนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ